ธรรมยุท์มหานิกายไม่แตกต่างคณะสงฆ์ที่ต้องแตกเป็น ก, ก๊กเป็นเหลา่าเป็นหมู่เป็นพวกเพราะการปฏิบัติวินัยไม่สม่ำเสมอกันในบางยุคบางสมัยในประเทศไทยเราเนี่ยการปฏิบัติของคณะสงฆ์ก็หย่อนยานลงจนแทบจะดูไม่ได้ทีนี้ในเมื่อผู้ใดที่มาศึกษาธรรมวินัย รู้ความละเอียดของธรรมวินัยแล้วพยายามปฏิบัติให้มันถูกต้องไม่ถือว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วรังเกียจผู้ที่ปฏิบัติหย่อนกว่าทีนี้ผู้ที่หย่อนกว่าแทนที่จะปรับปรุงตัวให้มันดีขึ้นกลับตั้งข้อรังเกียจกันอีกในยุคตอนต้นๆที่มีธรรมยุทธ์มหานิกายก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ ในปัจจุบันนี้ต่างฝ่ายต่างก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นเคร่งครัดในพระธรรมวินัยดียิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้ก็สม่ำเสมอกันแล้วไม่มีใครดีใครชั่วเกินกันปัญหาเรื่องนี้มันก็ควรจะยุติได้แล้วแต่ว่าอาศัยจารีตประเพณีที่เคยมีเคยเป็นอาศัยกิเลสตัวทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกันนี่แหละมันก็เลยยังขัดข้องแล้วก็แตกเป็นกกเป็นเหล่ากันอยู่ทุกวันนี้ พอหลวงพ่อมาอยู่โคราชนี่ปีหนึ่งเก็บเงินได้ถึงห้าล้านบาทแล้วคิดอยากจะทำบุญทำบุญอะไรดีในฐานะที่เป็นเจ้าคณะมาตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอจนกระทั่งถึงเจ้าคณะจังหวัดทำงานมาด้วยความทุกยากลำบากงบประมาณที่ได้จากทางราชการก็ไม่พอใช้กระดาษดินสอเราก็ซื้อเองเครื่องพิมพ์เราก็ซื้อเองเขาไม่มีงบให้เรา พอออกมาเนี่ยก็เลยมาคิดถึงหมู่ถึงคณะที่ยังทํางานอยู่พอหลวงพ่อมีบารมีขึ้นมาหน่อยในปีนั้นเก็บเงินได้ห้าล้านก็ตั้งมูลนิธิให้คณะสงฆ์ในขณะที่สงฆ์ยังแยกกันอยู่มหานิกายท่านมีพวกมากก็ให้มหานิกายสามล้านให้ธรรมยุทธ์สองล้านทาั้งๆที่หลวงพ่อเป็นพระธรรมยุทธ์เพื่อนบางองค์ก็ว่าทาไมไปให้เขามากมายนักหนา เอาเขาพวกมากเราก็เป็นพระเมืองโคราชเขาก็พระเมืองโคราชเหมือนกันนี่แหละทําอย่างไรจึงจะผูกจิตผูกใจให้มันสัมพันธ์เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้มันจะดีที่สุดการแตกแยกระหว่างหมู่คณะนี่ผิดภัยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในคณะสงฆ์อย่างเดียวนะมันแตกไปจนกระทั่งถึงชาวบ้านมีเหรอ พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ตรงไหนบ้างที่สอนคนให้แตกความสามาัคคีเพราะฉะนั้นเวลานี้ไปเทศที่ไหนจะย้ำอยู่ตรงที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเราเพื่ออะไรพระองค์สอนธรรมะเราเพื่อให้เราสร้างความรักความเมตตาปรานีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานศีลห้ากับเมตตาพรหมวิหาร